สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตข้อที่19ถึงข้อที่24ครับโปรดฟังพรจชนะของพระเจ้าอาศัยอยู่ในแดนกันดาลดีกว่าอยู่กับหญิงขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บน่นคลังซับล้ําค่าและน้ำมันที่มีอยู่ในที่อาศัยของคนมีปัญญา แต่คนโง่พลานมันจนเกลี้ยงคนที่ติดตามความชอบธรรมและความการุณาจะพบชีวิตความชอบธรรมและเกียรติยศคนมีปัญญาปีนเข้าเมืองของคนมีกำลังและพังทลายที่มั่นซึ่งเขาไว้วางใจคนที่ระวังปากและลิ้นของตนก็ปกป้องตัวเองจากความยุ่งยากคนชอบเยอะเย้ยเป็นชื่อของคนเย่อหยิ่งจองของผู้ประพฤติตัว ด้วยความโอหังพี่น้องครับข้อ19ได้พูดถึงเกี่ยวกับสามีครับสามีที่มีภรรยาที่เป็นคนที่จู้จี้จุกจิกชวนทะเลาะขี่บน่นนะครับพี่น้องครับกษระชับโซลมาได้เปรียบเทียบเพื่อที่จะอุิบายถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับการดำเนิ น, เนชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่ ช, ชวนทะเลาะครับคําว่า การดำเนินชีวิตในความร้อนของทะเลทรายที่ปราศจากน้ำก็ดีกว่าอยู่กับผู้หญิงพันนี้สิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะครับก็ตรงกับข้อที่9และอยู่ในบทที่27เข้อที่ 15-16 เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อีตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าให้อย่าล้างกันนะครับแต่ให้หมายความว่าผู้หญิงเองจะต้องพิจารณาตัวเองครับ ว่าเราเป็นผู้หญิงที่จู้จี้ขี้บน่นชวนทะเลาะหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับสามีที่ได้ภรรยาที่ดีแต่หากว่าสามีที่ได้ภรรยาแบบนี้ครับนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราที่จะด้วยความอดทนครับเพราะว่าความรักนั้นก็คือการอดทนนานสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าได้ส่งผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตของเราให้เป็นคู่ชีวิต หรือทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเราเองนั้นก็ต้องอดทนครับอดทนจนถึงที่สุดถ้าแต่งงานอย่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าทำงานก็ลาออกปรับตัวไม่ได้ก็ต้องลาออกครับหรือไม่อย่างนั้นต้องปรับตัวยอมนะครับยอมทนเพื่อที่จะอยู่ต่อพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระบรมไได้กล่าวไว้ความจริงแล้วนะครับผู้หญิงที่อยู่ไม่สุขนะครับ จู้จี้ขี้บ่นชวนทะเลาะเป็นผู้ที่ทำให้จิตใจของผู้ชายนั้นก็รู้สึกํำคาญครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ชายรู้สึกลำคาญผู้ชายส่วนใหญ่ขี้ํำคาญก็มักจะรีบตัดสินใจใจด่วนใจร้อนเกิดผลเสียมากกว่าผลดีข้อ20บครับครังซับล้าค่าและน้ามันมีอยู่ในที่อาศัยของคนมีปัญญา แต่คนโง่ผลานมันจนเกลี้ยงที่นี้ผู้ชัดเจนครับสำหรับคนฉลาดนะครับเขามีการวางแผนเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อปัจจุบันเท่านั้นแต่เขาดำเนินชีวิต <c oughs> เพื่ออนาคตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสุภาษิตนี้สนับสนุนเรื่องของความคาดหวังความคาดหวังถึงอะไรครับความคาดหวังถึงเวลาแห่งความจาเป็นทางวัตถุในอนาคตซึ่งเป็น เรื่องจาเป็นเป็นที่ต้องการการตระเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อจะบรรลุและได้มาทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้าสู่ความมั่นคงปลอดภัยครับที่อาศัยของคนมีปัญญาก็จะมีคลังทรัพย์ล้าค่าและมีน้ำมันอยู่ที่นั่นหมายถึงเป็นรีซอสนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของคนที่มีปัญญารครับ ในโบสก็เช่นเดียวกันครับในโบสของคนที่มีปัญญาก็ต้องมีคลังทรัพย์ล้าค่าทางด้านบุคลากรและมีน้ํามันนะครับ ก, ก็อาจจะหมายถึงงบประมาณหรือน้ําที่ใช้หล่อเลี้ยงครับที่ทําให้เกิดความชุ่นชมยินดีจะต้องมีแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในมือของคนโง่นะครับมาบริหารก็มันจะเกลี้ยงครับมันจะหมดหรือมันจะถูกฝังดินไว้ ไม่ได้เกิดผลข้อ21ครับคนที่ติดตามความชอบธรรมและความกรุณาจะพบชีวิตความชอบธรรมและเกียรติยศการที่เราเป็นคนชอบธรรมและจงรักภักดีส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่งคัง่งเกียรติยศพี่น้องครับทั้ง3าประการนี้ เป็นพระพรถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในบทหน้าครับบทที่22ข้อที่4และตรงกับในมัทธิวบทที่6ข้อ33ว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขอ ง, งองค์กนแล้วพระองค์จะทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคนชอบธรรมนะครับและมีความจงรับกบดีชีวิตของเรานั้นก็จะดีเราจะเกิดความมั่งคัง่งและเกียรติข้อ22ครับ คนมีปัญญาปีนเข้าเมืองของคนมีกำลังและพังทลายที่มั่นซึ่งเขาไว้วางใจนี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนมีปัญญากับคนที่มีกำลังครับบางทีเราอาจจะคิดว่าคนมีกำลังจะดีกว่าจะเข้มแข็งกว่าแต่เพิ่มพี่บอกว่าคนมีปัญญาก็ดีกว่าคนมีกำลังครับถามว่าทำไม เพราะเขาสามารถปีนเข้าเมืองของคนมีกำลังได้และพังทลายที่มั่นซึ่งเขาไว้วางใจได้ความหมายคือคนฉลาดสามารถเอาชนะคนแข็งแรงได้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับเวลาต่อสู้ระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มคนแก่นั้นฉลาดคนหนุ่มแข็งแรงต้องระวังครับและเราจะรู้ว่าคนแก่หรือคนฉลาดนั้นก็เอาชนะคนหนุ่มได้ กำลังของเขาอยู่ที่ไหนครับกำลังของคนแก่นั้นอยู่ในสติปัญญาและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าและสติปัญญานั้นถูกบรรยายนะครับเป็นภาพพจน์ว่าเขาสามารถปีนเข้าไปในเมืองมีความหมายว่าชนะชนะเมืองของคนที่วางใจในกําลังวังชาของตัวเองฝ่ายร่างกายพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับปัญญา ประดุดดังอาวุธรับปัญญาให้กําลังและความปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นให้เราแสวงหาปัญญาโดยไว้วางใจในพระเจ้าปัญญาเกิดจากกรรมยำเกรงพระเจ้าครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของปัญญาข้อ23มมีความสำคัญครับคนที่ระวังปากและลิ้นของตนก็ปกป้องตัวเองจากความยุ่งยากคนที่ชอบเยะเย้ยข้อ24ครับ เป็นชื่อของคนเย่อหยิ่งจองหองผู้ประพฤติตัวด้วยความโอหังพี่น้องครับข้อ 23-24 นั้นก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปากครับและคำพูดคนที่ชอบย่ะเยะ้ยนำมาถึงความประพฤติที่ยะโสโอหังมีคำพูดอย่างนี้นะครับว่าใครก็ตามที่สามารถระวังสิ่งที่ตัวเองพูด ก็เป็นการเซฟตัวเองออกมาจากปัญหาและความยุ่งยากมากมายได้นะครับการระวังรักษาสิ่งที่ตัวเน้นพูดเป็นการเซฟตัวเองหรือเป็นการป้องกันตัวเองเป็นการอารักขาตัวเองออกมาจากปัญหามากมายได้ตรงนี้ทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดในข้อที่24ครับมีคำ3ามคำที่น่าสนใจ คำสัมคํานี้นะครับที่แปลว่าความหยิ่งของคนมักเยอะเย้ยนะครับคําแรกก็คือคําว่าเยอะหยิ่งคำสองก็คือคําว่ายะโสโอหังคําที่สก็คือคําว่าทะนงตัวคําว่าเยอะหยิ่งกับคําว่าทะนงตัวนั้นเกี่ยวข้องกันในภาษาเดิมครับภาษาฮีบรูสําหรับยะโส คือยาอีคำที่สองครับใช้เฉพาะที่นี่ภาษาฮีบรูใช้อีกสองคำสำหรับอธิบายยะโสและหญิงธนงพี่น้องครับการเยาะเย้ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นนะคนที่มักเยาะเย้ยเนี่ยก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอันนี้เกินที่มาของอีโก้นะครับ เหนือกว่าคนอื ho, ่นความคิดของฉันดีกว่าความคิดของคนอื่นการตัดสินใจของฉันดีกว่าความตัดสินใจของคนอื่นความเห็นของฉันเหนือกว่าความเห็นของคนอื่นท่าทีเหล่านี้ครับเป็นท่าทีของคนมักเยาะเย้ยคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นท่าทีนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยครับท่าทีนี้ไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและของคนอื่นด้วย ในเช้าวันนี้นะครับจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เราพิจารณาเกี่ยวกับคำพูดของเราท่าทีของเราและเราจะต้องใช้สติปัญญาให้เราเป็นคนชอบทรามและจงรักภักดีครับและเพื่อที่เราจะได้เกียรติได้ชีวิตได้ความมั่งคั่งและเราจะต้องเป็นคนที่ฉลาดครับฉลาดในการหาภรรยาที่จะไม่ใช่เป็นพวกที่ขี้ทะเลาะจุกจิกและเราจะต้อง วางแผนวางแผนสะสมอาหารในฤดูหน้าอาเมน